สังคาทิเศษสิกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดกำหนดแล้วมีจิตแปรปรวนแล้วกล่าวคุณแห่งความบำเบลอตนด้วยการในสำนักมาตุคามด้วยถ้อยคำพาดพิงเมทุนว่าน้องหญิงหญิงใดบำเบลอผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมเช่นเราด้วยธรรมนั่นนั้นเป็นยอดแห่งความบำเบอทั้งหลายเป็นสังคาทิเศษ อธิบายทั้งปวงพึงรู้โดยนัยยะอันกล่าวแล้วในสิกขาบทที่สามต่างแต่ความมุ่งของผู้พูดในสิกขาบทนั้นกล่าวถึงพูดเคาะในสิกขาบทนี้กล่าวถึงพูดชวน